ประสังษาประสังษาแปลว่าสรรเสริญหรือคำสรรเสริญการชมการยกย่องเชิดชูความชวนให้เห็นว่าจะกล้ายๆกับเรื่องยศที่ว่ามาแล้วความจริงก็เป็นเช่นนั้นแต่ความมุ่งหมายหนักเบากว่ากันยศมุ่งถึงการยกย่องเชิดชู ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความดีเป็นเรื่องจริงจังกว่าประสังสาส่วนภระสังสานี้หมายถึงการสรรเสริญหรือชมเชยที่ออกจากปากเขามาเข้าหูเราเท่านั้นถ้าจะเปรียบกับดอกไม้ยศเปรียบกับกุหลาบที่ติดอยู่ในพุ่มในกระถางจริงส่วนคำสรรเสริญเป็นประเภทดอกไม้ปักแจกกันในห้องรับแขก รากเงาไม่มีอะไรแข็งแรงมั่นคงเพียงเอาน้ํำหล่อไว้เท่านั้นวิธีสรรเสริญก็ไม่ยากคือยกเอาความดีของคนอื่นขึ้นพูดจะพูดต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้เป็นสรรเสริญทั้งนั้นไม่เหมือนกับนินทาซึ่งจํากัดว่าต้องพูดรับหลังเท่านั้นจึงจะเป็นนินทาตอนคนดอง ตามปกติคนเราชอบคําสรรเสริญคืออยากได้รับคําสรรเสริญจากคนอื่นอยากให้เขาสรรเสริญตัวความชอบอย่างนี้ดูเหมือนจะมีอยู่ด้วยกันทุกคนต่างแต่ว่าใครจะแสดงออกมานอกหน้าหรือไม่เท่านั้นแม้บางคนพูดอยู่ตงตงว่าไม่อยากให้ใครชมผมชอบทําเงียบๆไม่อยากให้ใครมาชมอย่างนี้ก็เถิด ในใจจริงก็อาจจะแอบอยากให้เขาชมอยู่ก็ได้อย่างน้อยที่สุดก็อยากให้เขาชมว่าท่านผู้นี้ชอบทำอะไรเงียบๆอย่างนี้ก็เป็นได้ผมคิดว่าคนสามัญทุกคนชอบสันเสริญทังนั้นถ้าเกิดมีใครเกลียดสันเสริญก็น่าจะเป็นคนวิสามันแล้วที่คนชอบสันเสริญก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนักหนา ผมคิดว่าดีกว่าคนที่สรนเสริญไม่ขึ้นเสียด้วยซ้ำคนพวกนี้แหละที่สร้างบ้านสร้างเมืองมาจนเราได้อยู่ทุกวันนี้ในชีวิตที่เป็นผู้อบรมคนอื่นผมเคยเคราะร้ายมาสองครั้งคือได้รับมอบให้อบรมเกลี้ยกล่อมคนที่ไม่ชอบสรนเสริญว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่คือ แย่สันเซอร์ไม่ขึ้นเอาจริงๆเรื่องมีอยู่ว่าทางทหารจะตัดถนนให้วัดวัดหนึ่งถนนนี้เมื่อตัดแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านไม่น้อยพูดง่ายๆคือทั้งบ้านทั้งวัดจะสันเสริดด้วยกันแต่ริมด้านหนึ่งของถนนมันไปเฉียดเอานาของนายคนหนึ่งเข้าพวกกรรมการและพวกชาวบ้านตลอดจนสมภารและพระเจ้าพระสงศ์ พากันขอร้องแกไม่ได้ผลผมเองก็อยู่ในฝ่ายผู้ขอร้องด้วยได้แสดงเหตุผลร้อยแ0พอย่างแกไม่เล่นด้วยทั้งนั้นเมื่อเทตไม่ได้ผลก็ใช้วิธีชมแต่พอชักไม่น้ำมากี่สายกี่สายโดนแกกลบหมดเลยผลที่สุดฝ่ายผู้มาขอร้องต้องลาาทับกลับไป ที่ว่านี้ไม่ใช่ทำกันอยู่วันสองวันแต่ว่ากันเป็นสิบสิบวันผมได้ความคิดแต่ครั้งนั้นว่าคนที่ชมไม่ขึ้นมักจะเป็นคนไม่เห็นแก่ส่วนรวมจะผิดถูกหรือไม่โปรโดคอยสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งผมไปเจอที่จังหวัดชายทะเลพร้อมกับท่านผู้วรัชการจังหวัดกรณีตัดถนนผ่านที่นาเหมือนกัน คิดเนื้อที่ถนนเชียรที่ดินเขานั้นไม่กี่ตารางศอกเลยแล้วก็แปลกแต่นายคนที่ว่านี้เกิดชื่อเดียวและอายุปูนเดียวกับคนก่อนเสียด้วยผมคิดว่าการที่คนชอบสรรเสริญไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนักหนาข้อสำคัญชอบให้เป็นก็แล้วกันมนุษย์เรานี้ก็แปลก ชอบก็ไม่ชอบแต่ตัวยังไปชักชวนเอาผีสางเทวดาให้มาชอบด้วยคือไปตั้งกฎเกณฑ์เอาว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีรสนิยมเช่นเดียวกับมนุษย์ดังปรากฏในบทสวดวิงวอนของคนแต่ละศาสนานั้นแล้วใครอยากให้ท่านโปรดปราณตัวมากกว่าใครๆก็พยายามหาคำมาชมมาว่าให้วิจิตพิสดารออกไป คนนั้นต่อนิดคนนี้เติมหน่อยผลที่สุดเทพบางองค์ได้รับคำชมจนพวกช่างเขียนเขียนรูปไม่ถูกให้สีไม่ถูกเมื่อวาดไปตามคำชมของคนนักเข้าเล่นเอาเทพเจ้าแต่และองค์แย่ไปตามๆกันรูปร่างหน้าตาพิกลพิการไปหมดเลยอวัยวะมือเท้าก็ถูกต่อเพิ่มเติมเสียจนดูไม่ได้ก็มี ว่างๆเชิญไปดูในพิพิธภัณฑ์ก็ได้นี่แหละเขาว่าชมกันจนเสียรูปเสียร่างทาไมคนจึงชอบชมเป็นเรื่องที่หาเหตุผลดั้งเดิมยากรู้แต่ว่าสันเสริญเป็นอารมณ์ที่เข้ากับท่า ท, ทางจิตใจของคนได้ทั่วไปเรียกว่าเป็นอนุโลมทา่าแก่กันไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์ท่า ยังคำนินทาคนเรานี้ถูกอบรมให้ติดคำชมกันมาตั้งแต่ออกแต่อ้อนให้มีนิสัยอยากทำดีให้คนอื่นเห็นหรือทำดีอวดคนอื่นนึกดูเมื่อเล็กๆพอเราทำท่าจะอิ่มข้าวคุณแม่บอกว่าอีคำเธอลูกนั่นแน่ไอ้ด่างมันกำลังดูและ แถมอีกคำให้แมวมันดูและให้ทุกแกดูแล้วเราก็แถมได้จริงๆทั้งๆที่อิ่มแล้วบางทีเราจะไม่ยอมอาบน้ำพอพี่เลี้ยงเขาบอกว่าน้าไม่อาบเดี๋ยวเจาะเจาะว่านะเรากลัวเจาะเจาะมันก็เลยต้องอาบน้ำ บางทีเรากำลังร้องไห้มีคนโอบว่าน่ารักก็หยุดร้องนี่พูดถึงว่าเราได้ถูกอบรมมาแต่เล็กแต่น้อยให้ชอบคำชมให้มีนิสัยทำความดีให้คนอื่นเห็นผมอยากจะพูดว่าพวกเราทุกคนเป็นคนดองด้วยกันทั้งนั้นขอโทษเถอะคือถูกคนเกิดก่อนเขาดองด้วยคำสรรเสริญเยินยอ จนเข้าเลือดเข้าเนื้อโตแล้วมันติดเป็นนิสัยทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็มองหาแต่คนที่จะชมให้และเสียกำลังใจเอาง่ายๆในเมื่อทำแล้วไม่มีคนชมรวมความว่าคนสามัญทั่วไปชอบคำสรรเสริญด้วยกันทั้งนั้นแม้ผู้ที่รักษาใจให้สงบได้มากไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆเมื่อถูกเขาชม ถึงอย่างนั้นไม่ได้ฟังคำชมก็รู้สึกว่าเย็นหูกว่าฟังคำติตอนหวงชมเรื่องของคนเราไม่ได้ชอบสิ่งใดแล้วมักจะหวงชอบผูกขาดไม่อยากให้ใครใช้ร่วมไม่อยากให้ใครเหมือนในเรื่องคำชมนี้โดยทั่วไป เราถือว่าเป็นคําประเภทมงคลดีแก่คนแต่บางกรณีเขาถือว่าไม่เป็นมงคลก็มีเช่นยังชมเด็กทารกคนโบราณห้ามถ้าเด็กหน้าตาหมดจดน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะชมก็ต้องทำเป็นถไลพูดไปว่าแม้หน้าตาขี้เรอะไรอย่างนี้หรือว่าอุ๊ย น่าเกลียดน่าเกลียดพูดอย่างนี้หมายความว่าเขาชมเด็กว่าน่ารักเป็นที่รู้กันบางทีชมเด็กว่าอ้วนดีก็ต้องเซไปว่าเจ้าเนื้อจะชมว่าโตมากแล้วก็ต้องว่าโตเป็นลูกหมาแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจึงได้เล่นกลับหัวกลับหางเสียอย่างนี้รู้แต่ว่าถ้าไปชมว่า เด็กน่ารักประเดี๋ยวพวกผีได้ยินก็จะเกิดมารักด้วยเลยมาแย่งตัวเอาเด็กนั้นไปอยู่กับผีเสียเท่านั้นเองนึกนึกดูก็แปลกผีอะไรถึงได้โง่มากจนดูเองไม่รู้ว่าใครน่ารักใครไม่น่ารักทำให้เรื่องมันมากไปเปล่าๆแต่คำที่ว่านี้ก็ใช้เฉพาะเด็กๆ เ, เท่านั้น เราลองเอาไปใช้กับคนโตโ ต, โตดูสิโกรธตายอย่างพวกหนุ่มๆจะจีบสาวก็ลองพูดว่าแม้คุณหน้าตาขี้เรศเหลือเกินหน้าเกลียดหน้าเกลียดแหมคุณโตเป็นลูกหมาแล้วอะไรอย่างนี้แหละแม่ได้ไล่ตเพิดออกประตูไม่ทันเท่านั้นเองแล้วทำไมเขาชมกลับหลังอย่างนี้ยังไม่ดีหรือ ผีสางจะได้ไม่มารักด้วยเวลาประกวดนางงามก็เลยพูดกลับกันไว้เสียด้วยเลยว่าประกวดนางขี้เลใครได้ตำแหน่งที่หนึ่งก็ได้ครองตำแหน่งนางขี้เลที่สุดแห่งประเทศไทย <c oughs> เพื่อพวกผีจะได้ไม่มารบ ก, กวนดีหรือไม่ดีพูดมากแล้วยุ่งสมกับที่ว่าเรื่องของคนมันเรื่องยุ่ง ถ้าไม่ยุ่งมันก็ไม่ใช่คนมีคนที่ไหนยุ่งที่นั่นก็เรื่องตัวจะชอบคำสรรเสริญเยินยอเท่านั้นก็พากันถืออย่างโน้นอย่างนี้ให้ยุ่งไม่เข้าเรื่องผมคิดว่าที่ไม่ให้ชมเด็กตรงๆนั้นก็เห็นจะเป็นเรื่องหวงชมมากกว่าการเอาไว้ชมแต่พวกคนด้วยกันผีไม่เกี่ยว และดูความจริงเรื่องของสรรเสริญก็จะเข้ารูปนี้ที่ว่าคนชอบชอบนั้นที่จริงชอบรับนะไม่ใช่ชอบให้คืออยากได้คําชมจากคนอื่นแต่ตัวเองไม่ชอบให้คําชมแก่ใครตรงกันข้ามกับนิมทาเราไม่ชอบรับแต่ชอบให้ผมจึงได้บอกมาแต่ต้นว่าธรรมะข้อ น, นี้มันพิลึก ไม่รู้หน้าอยู่ทางไหนหลังอยู่ทางไหนจะว่าเกลียดก็เหมือนชอบจะว่าชอบก็เหมือนเกลียดเชิญคิดดูเองเถอะตอนผ่านบัณฑิตได้ ว, ว่าเรื่องนินทาและสัรเสริญมาแล้วทั้งสองกระแสจนมาจบเป็นเรื่องเดียวในตอนนี้ใครจะเชิญท่านผู้ฟังได้พิจารณาทบทวนดูอีกครั้งว่า ในเรื่องนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรจึงจะไม่เสียภูมิตามเหตุผลต่างๆที่ผ่านมาแล้วในตอนก่อนเรานำไปสู่การตัดสินได้ว่าการนินทาเป็นงานของคนผ่านเท่านั้นบัณฑิตไม่นินทาใครขอแว่อีกนิดที่ว่าผ่านหรือบัณฑิตนั้นเป็นอาการของจิตขนาดใดที่จิตถูกโมหะ ความโง่เขา่าครอบงมขณะนั้นจิตก็เป็น่านในวงเล็บภาละแปลว่าเขลาโงา่อ่อนกําลังแต่ขณะใ ด, ด เ, เราเพิกโมหะออกจากจิตใจได้ขณะนั้นก็เป็นบัณฑิตบางคนเข้าใจว่าใครจะเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตก็เป็นกันเป็นคนคนไปหมายหน้ากันไว้เลยว่า ในคนนั้นเป็นพานคุณคนนี้เป็นบัณฑิตอย่างนี้ก็ถูกแต่ห่างไปการเป็นพานหรือบัณฑิตนั้นถ้าจะดูกันให้กระชั้นชิดต้องสังเกตอาการจิตตามที่ว่ามาแล้วคนคนเดียวนั่นแหละบางทีเช้าเป็นบัณฑิตสายหน่อยกลายเป็นพานกลางวันเป็นบัณฑิตอีกบ่าย ความเป็นพานกลับกำเริบตกเย็นเป็นบัณฑิตอย่างนี้ก็ได้และส่วนมากก็เป็นอย่างนี้คือเอาจิตใจเป็นเครื่องวัดว่าขณะไหนอยู่ในสภาพอย่างไรทีนี้ที่ว่าการนินทาเป็นงานของคนผ่านนั้นคือคนเราอยากนินทาคนอื่นและนินทาเขาก็เฉพาะแต่ในขณะที่จิตถูกโมหะครอบงำเท่านั้น ถ้าจิตพ้นจากกลุ่มโมหะก็เกิดความสำนึกตัวและไม่พอใจในการนินทาฉะนั้นการนินทาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตอนใครได้ใครเสียเข้าเรื่องนินทาสันเสริญต่อไปตามปกติการนินทาเนื่องด้วยคนสามคนคือหนึ่ง คนนินทาสองคนถูกเขานินทาและสคนฟังเขานินทาจะได้จะเสียก็อยู่ที่คนสามคนนี้ฝ่ายสรนเสริญก็เหมือนกันกับฝ่ายนินทาต่างกันอยู่บ้างตรงที่ว่าผู้ได้รับสรนเสริญกับผู้ฟังสรรเสริญอาจเป็นคนคนเดียวกันก็ได้เพราะการสรนเสริญนี้ทําได้ทั้งต่อหน้าและรับหลัง ทางด้านนินทาได้ว่ามาแล้วทั้งคนนินทาทั้งคนถูกนินทาทั้งคนฟังเขานินทาไม่มีใครได้อะไรเลยมีแต่เสียคราวนี้ทางสรรเสริญคนทั้งสามมีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ก็ไก่คนผู้สรรเสริญตามปกติคนที่จำความดีของคนอื่นมาพูด จะต้องเป็นคนใจขอกว้างขวางมีริษยาน้อยและเป็นผู้เห็นความดีเป็นอาหารใจเพราะฉะนั้นผู้สรรเสริญจึงมีใจเป็นกุศลมาแต่ต้นคือตั้งแต่จดจำเอาความดีของคนอื่นไว้ในใจตนแล้วระบายคําสรรเสริญออกมาจิตก็ปลอดโปรโ่งสบายใจตรงกันข้ามกับการนินทา ซึ่งจะต้องเร่งกระแสความคิดของตนเองให้แรงขึ้นกว่าปกติเพื่อปรุงคํานินทาให้เห็นจริงเห็นจังจะสังเกตเห็นว่าเวลานินทาเขาต้องมีการเม้มริมฝีปากทํามือทําไม้และมองซ้ายมองขวามีการระมัดระวังมากกลัวคนนั้นหรือพักพวกเขาจะมาได้ยินเข้าขอไข่ คนผู้ได้รับสรรเสริญไม่ต้องสงสัยข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคําสรรเสริญเป็นยาชูกําลังให้คนทุกคนผู้ได้รับสรนเสริญจะรู้สึกว่าขณะที่เขานั่งฟังคนอื่นสรนเสริญ ต, ตนนั้นบรรยากาศช่างสดชื่นอะไรอย่างนั้นมีการถือกันอีกอย่างหนึ่งว่าขณะที่เรากําลังสรรเสริญใครอยู่ แ้าเกิดคนที่เรากล่าวขวัญถึงนั้นโผล่เข้ามาพอดีก็ว่ากันว่าคนนั้นจะอายุยืนหรือโชคดีคู่สนทนาจะเรีบชิงกันเสนอขึ้นทีเดียวว่าแม่อายุยืนเหลือเกินเรากําลังพูดถึงอยู่พอดีอย่างนี้เป็นต้นสงสัยว่าคนคนนั้นจะอายุยืนขึ้นได้อย่างไร นอกจากว่าเขาได้มารับอารมณ์อันจะทำให้ใจคอเพลิดเพลินแล้วมีสุขภาพดีขึ้นเท่านั้นเองขอควายคนผู้ฟังเขาสรรเสริญกันก็ปล่อยสบายใจไปด้วยอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเขาทำดีอย่างไรจึงมีคนสรรเสริญคําสรรเสริญ น, นั้นเก็บไว้ในใจก็สบายดีไม่ร้อนเหมือนเก็บคํานินทา แต่ความรู้อย่างว่านี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะแต่ในใจของมัดดิษเท่านั้นสำหรับคนพานแล้วฟังคนอื่นเขาสรนเสริญกันใจไม่สนุกเลยเพราะในใจคนพานมีริษยาอยู่มากเจ้าความฤิษยานี้มีอาการไม่อยากเห็นคนอื่นดีฉะนั้นพอฟังเขาพูดกันว่าคนนั้นคนนี้ดีเหมือนกับถูกเอาหนามแยงหู ทนฟังไม่ได้มันให้มีอาการไม่สบายใจถ้าพอขัดคอเขาได้ก็เลยขัดคอเสียเลยนี่แหละความเป็นไปของผานกับบัณฑิตคนผานไม่มีเวลาพอที่จะติดตัวเองเพราะมัวแต่นั่งนินทาคนอื่นฝ่ายบัณฑิตไม่มีเวลาไปนั่งนินทาใครเพราะมัวแต่สรรเสริญหาที่ติดตัวเอง